เรื่องอัศจรรย์ปัญญาท่วนห้าท่านพระอาจารย์มันอธิบายคำว่าปัญญาท่วนห้าหมายถึงอินทรีห้าพละห้าให้ปัญญามีอยู่ในทุกอิรยาบททุกกิจกรรมทุกอย่างนับตั้งแต่การอยู่การกินการนุ่งการห่มการอยู่ในบ้านเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่ต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้น การใช้ซอยปัจจัยสี่จึงสมบูรณ์แบบถ้าขาดสติปัญญาการใช้ซอยปัจจัยสี่นี่ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อไม่สมบูรณ์แล้วความบกพร่องจึงเกิดขึ้นทุกข์ก็จะเสริมเข้ามาท่านว่าอย่างนั้นเช่นการใช้จ่ายรัพ์นี้ท่านนอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วนะรั์ที่จ่ายไปไม่คุ้มค่าท่านว่านะ และที่นี้ประโยชน์ที่สอนคือสัมป ร, ราญิกตถประโยชน์จะเป็นศรัทธาสัมปทา ศ, ศีลสัมปทาจาราสัมปทาปัญญาสัมปทาก็ยังอาศัยปัญญาแม้แต่ในโล ก, กุตระก็เหมือนกันถ้าขาดสติปัญญาแล้วไม่สามารถจะบรรลุโล ก, กุตระได้ฉะนั้นทุกอย่างปัญญาจะต้องเข้าไปเสริมอยู่เสมอถ้าขาดปัญญา ก็หมายถึงว่าทุกสิ่งที่เราทําไปในชีวิตประจำวันไม่คุ้มค่าศูนย์เปล่าแม้แต่จะกวาดพื้นก็ดีในบริเวณบนบ้านก็ดีไม่ใช่ว่ากวาดแล้วให้มันกระจัดกระจายไปคือกวาดเอาไปรวมกันแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วจึงค่อยเก็บนําไปทิ้งในที่ทิ้งขยะนั้นส่วนการปัดกวาดบริเวณวัดนั้น ท่านอาจารย์มั่นสอนว่าโดยปกติเราจะกวาดออกจากที่อยู่เช่นจากรอบกุฏินี้ออกไปเมื่อเรากวาดเสร็จแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เราพัฒนาให้เป็นวัดหรือเป็นลานวัดแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เลยขอบออกไปก็จะเป็นป่าธรรมชาติถ้าเรากวาดใบไม้ ไ, มไปทับถมธรรมชาติอันนั้นคือขาดปัญญาแล้ว ราแดนพัฒนาก็ให้เป็นแดนพัฒนาแดนธรรมชาติก็ให้เป็นแดนธรรมชาติที่ถูกต้องคือจะต้องปัดกวาดจากแดนธรรมชาติเข้ามาข้างในแล้วก็กวาดข้างในไปหาข้างนอกแล้วเก็บเป็นกองกองไว้จะเผาไฟก็ให้รีบสุมเสียปล่อยไว้ลมพัดไปได้อีกวิธีคือเราขุดหลุมไว้ เรากวาดแล้วไปเทลงหลุมหลุมเต็มก็ไปขุดใหม่ทีนี้หากว่าเรากวาดออกไปเรื่อยๆบริเวณรอบกุฏิเรานี้มันจะต่ําลงและขอบจะสูงขึ้นนั่นคือสิ่งแวดล้อมสกปรกแล้วสิ่งที่เราพัฒนาก็แปล ร, รูปไปแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับก้นกระทะอันนั้นคือการขาดสติปัญญาได้อย่างหนึ่งมันเสียอย่างหนึ่ง ท่นมักเตือนอยู่เสมอว่ากวาดเข้าไปทำไมทำไมมีกวาดออกมามันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมหมายความว่าสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ก็ให้อยู่ไปตามของเขาเราอย่าเอาไปใส่ถ้าเอาไปใส่มันจะกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่พัฒนาแล้วก็อยู่ในสภาพที่พัฒนาแล้วพื้นที่ยังไม่พัฒนาก็ให้เป็นป่า ในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นขอบโดยรอบเพราะผู้ที่ตามมาภายหลังเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ท่านพระอาจารย์มั่นปัดกวาดอย่างนี้มันมีได้มีเสียอย่างไรนี่คือความไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจึงว่าอัศจรรย์ปัญญาท่วนห้าเราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องมีปัญญาไปแทรกอยู่เสมอถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปแทรก ก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สมบูรณ์แบบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่คือความหมายในเรื่องนี้